ต่อไปจะแนะนำวิธีปฏิบัติทำให้สำหรับผู้ใหม่ผู้ใหม่คือยังไม่เคยมาปฏิบัติให้กำหนดกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเข้าก yeah. ็ให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาว ลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ลมหายใจออกสั้นรู้กองลมทั้งปวงคือรู้ลมที่มีอยู่ในกายเราทั้งหมดทุกส่วนลมเดินไปได้สะดวกหมดไม่ขัดข้อง ก็ให้รู้ว่าลมของเรามีทั่วทั้งร่างกายลมหายใจระงับลงเรียก ว, ว่าระงับกายสังขารก็ให้รู้ว่าลมระงับลงสำหรับผู้เก่าให้คอยดูลมหายใจเข้า หายใจออกลมหายใจเข้าเราก็ให้รู้จับผู้รู้เอาไว้ผู้รู้คือผู้รู้สึกนะเนยถ้าเรายังอยู่กับลมหายใจได้ กินเราก็สงบได้ถ้าเราไม่เห็นลมหายใจของเราเราก็ตั้งรวยอย่างเดียวรวยใจเราก็จะเย็นสงบลงสำหรับผู้ใหม่ถ้าไม่สามารถกำหนดรู้ลมได้ก็ให หายใจลึกๆหายใจลึกๆลงไปสักสองสามครั้งเวลาลมออกกระทบตรงไหนบ้างลมมันผ่านตรงไหนบ้างต้นจมูก คือดังเอ น, น, นต้นจมูกกลางจมูกและปลายจมูกเรากำหนดรู้ได้ตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นลมผ่านตรงกลางจมูกนี่แหละ ตรงที่รับรู้กลินเนี่ยให้คอยรู้อยู่ตรงนั้นเห็นลมเข้าเห็นลมออกอยู่ตรงนั้นยังไม่ต้องไปว่าลมสั้นยาวสำหรับวันนี้ให้ดูแต่ว่าลมเข้าลมออกให้รู้ลมเข้าลมออก คอยรู้อยู่ตลอดเวลาพอเรากำหนดรู้ลมความรู้สึกของเราก็จะคิดนึกไปทางอื่นบ้างเพราะสติมันยังไม่เข้มแข็งไม่สามารถบังคับความคิดความนึกความรู้สึกได้เราก็คอยรู้คอยรู้ว่า ลมผ่านตรงนี้ก็คอยรู้อยู่ตรงนี้คอยรู้อยู่ตลอดเวลาถ้ามันเผลอไปนึกคิดเรื่องอื่นก็เอากลับคืนมาไว้ที่ลมหายใจเหมือนเดิมอันนี้สำหรับผู้ใหม่ให้คอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆไป ส่วนผู้เก่าก็ให้จับความรู้สึกไว้เหมือนเดิมนั่นแหละจับความรู้สึกไว้ลมมันเดินไปตามกายก็ให้รู้ว่ามันไหลไปทั่วละกายนี่ลมออกทุกกลุ่มขนน่ะว่างันเถอะนะให้คอยรู้คอยรู้ลม ลมผ่านไปจุดไหนจุดไหนก็ให้รู้ยู่จุดนั้นเห็นลมอยู่ตลอดมันผ่านไปในร่างกายทุกส่วนก็ให้รู้ว่ลมผ่านในร่างกายทุกส่วนลมละงับลงแล้วน้อยลงแทบจะ ก, กำหนดไม่ได้ว่า มีลมหรือไม่มีลมจะกำหนดไม่ได้เลยก็ให้คอยคอยรู้ตั้งสติไว้ที่เดิมนี่แหละแต่ให้รู้ว่าโอ้ลมมันระงับดับลงแล้วก็ให้รู้ไว้ สูงขึ้นไปกว่านั้นให้พิจารณาแยกแกะส่วนต่างๆในร่างกายของเราออกจากกันมีความแตกต่างอยู่ตรงนี้ผู้ที่ทำเป็นแล้วนั้นสามารถที่จะทำการแยกเอาผมหอว เอาขนออกเอาเล็บออกเอาหนังออกเอาเนื้อออกเหลือโครงกระดูกไว้โครงกระดูกเส้นเอ็นยังไม่หลุดออกจากกันมันก็ยังทรงสภาพอยู่ได้ถ้าเส้นเอ็น เอาออกหมดกระดูกก็จะลงไปกองอยู่พื้นแผ่นดินหลายวันหลายปีเข้าหลายเดือนเข้ากระดูกก็จะผูกก่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศกระดูกของไข่กระดูกของเรานี่แหละตายแล้วก็ เขาไม่เผาเขาไม่ฝังเอาทิ้งไว้ป่าชาเนื้อหนังมังสาของเราก็เปื่อยเน่าผุพังแตกสลายออกจากกันหมูนอนทั้งหลายไต ยัวเยาเตรียมไปหมดเพราะความเน่าเหม็นในร่างกายนี้ให้พิจารณาเข้าไปที่ตัวเราหมนอนทั้งหลายแมลงวันได้กินก็มาขี้คยขางใส่ ที่แขงก็กลายเป็นตัวนอนนอนก็ไต่ ย, ยัวเยาเต็มไปหมดในกายของเราเนี่เราก็ตั้งสติรู้ว่ากายของเรานี่เปื่อเน่าผุพังไปแล้วเปื่อเน่าผุพังไป ยึดถือว่าตัวนี้เป็นของเราตัวนี้เป็นของเรามันก็เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้จิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วอินทรีย์แตกสลายร่างกายแตกดับไม่สามารถที่จะกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกได้ ของเน่าเปื่อยผุพังไปเราพิณาอย่างนี้ก็ได้พิณาซ้ำลงไปที่กายของเรานี่แหละใ ห, ให้รู้ว่ากายนี้เป็นของสุขภพกติกูลเป็นของหน้าเบื่อหน่ายถ้าไม่อาบน้ำไม่ชำระขัดสี ไม่ใช้สบู่ใช้ผงหรือเครื่องอาบน้ำต่างๆเราไม่ได้ใช้กินตัวของเราก็ไม่หมดไปปล่อยไว้ตามธรรมชาติธรรมดาของมันก็จะมีแต่ความเน่าความเหมันความส ก, รกปรกปฏิกูลโสโคร หาความสวยความงามในตัวของเรานี้ไม่เห็นเลยไม่ว่าส่วนไห น, ไหนทั้งสิ้นตาก็จะมีหนอนเจาะอยู่หูก็จะมีหนอนไตออกไตเข้าจมูกก็จะมีหนอนไตออกไตเข้า ปากก็จะมีหนอนไตออกไต่เข้าถ้วาวันหนักถ้วาวันเบาก็จะมีหนอนไตออกไตเข้าให้พิจารณาอย่างนี้แหละบ่อยๆซ้ำไปซ้ำมาเอาจนว่ามีแต่กระดูกเหลืออยู่ กระดูกก็ผูกก่อนไปตามการตามเวลาด้วยแดดด้วยร้อนด้วยร้อนด้วยหนาวแตกไปเป็นขาก็ไปทางหนึ่งกระดูกขาก็ไปทางหนึ่งกระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่งกระดูกแขนก็ไปทางหนึ่งกระดูก สีสะกระโหลกศีษะก็ไปทางหนึ่งกระดูกคอก็ไปทางหนึ่งกระดูกซี่โครงก็ไปอยู่อีกทางหนึ่งกระดูกหลังก็ไปอีกอยู่ทางหนึ่งจะไม่รวมตัวกันอยู่จะแตกกระจัดกระจายไปหาชิ้นดีไม่ได้เลย เราก็น้อมเข้ามาที่ตัวเรานี่ตัวของเราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่พ้นจากความเป็นอย่างนั้นไปได้ตามความจริงคนตายแล้วนี่ถ้าเข้าไปเผา เอาไปเผาเผาแล้วก็เหลือแต่กระดูกกับเท้าฐานฐานก็คือกระดูกของเราเท้าก็คือเนื้อนางวังสาของเราเราเอาบทให้ดีๆ บดให้ละเอียดแล้วเอาใส่กระดง่งทั้งฝุ่นและกระดูกบดให้ละเอียดแล้วสลัดขึ้นบนฟ้าหวนขโมงเลยถ้าพูดเป็นภาษาสปปลาวก็เลยว่าไงทวนเลย บ่เหลื อ, อยอียงอยู่เฮาถือเอาส่วนใดเป็นตัวเป็นตนของเฮาบ่ได้ทุกอย่างทุกสิ่งบอกว่าตับไตใสพุงของเฮาเฮาก็เอาไปนำบ่ได้ตายแล้วเฮาเอาแต่บุญกับบาปเท่านั้นไปตัวตนอันนี้เฮาเอาไปนำบ่ได้เลย ก็จะอยู่ตามป่าตามดอนตามพีปราซาเข่าที่เผาก็ได้เขาโ่เผาก็ได้มันก็สิพุกก่อนไปคือกันมันบอกสามารถที่สิเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนกลับคืนมาอีกได้ถ้ากิจวิญญาณของเฮายัางบุพนจากทุกยังบ่ทันได้เป็นพาลาหัน หรือว่าท่านเป็นพระอนาคามีจิตวิญญาณของเฮายังบบริสุทธิ์แท้เฮาก็ต้องได้มาเกิดอีกในภพภูมิคือมนุษย์นี่แหละเฮามาเกิดอีกเฮาก็าได้กายอันเกา่าด้วยะหละได้กายอันเก่าได้กายอันใหม่กายที่มัน เกิดใหม่เป็นคนใหม่ไปอีกแต่ว่าจิตกระดวงเดิมมันละสืบต่อกันมาอยู่คือกระแสไฟนี่แหละคือสายไฟคือไฟฟ้าที่มันเดินอยู่นี้มันโมเมนอันเดียวอันเดิมมันเดินมาเรื่อยๆมันหมดไปเรื่อยจิตของเฮาคือกันมันบ่เที่ยง คือกันเขาก็คอยดูว่าโตของเขานี่เอาไปนำไปได้หรอเขาไปเกิดอีกเขาก็เอากายใหม่ร่างใหม่ให้คิดว่าจังซี้อยู่ในใจเรื่อยๆเขาทำบุญไว้เขานั่นแหละได้บุญเขาทำบาปไว้เขานั่นแหละได้บาป บอกว่าบาปหรือบุญก็สส้างถ้าเฮาทำสิ่งใดไว้เฮาได้สิ่งนั้นทำชั่วก็ได้ชั่วไปทำดีก็ได้ดีไปความดีความชั่วใจเฮาเป็นผู้ได้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เวลาทำก็กลายว่ า, าใจของเฮานี่แหละ สั่งการกันขึ้นมาทำด้วยทางวาจาทางปากทางคำว่าคำพูดนี่แหละทำดีก็อยู่นี่อยู่ที่กายเฮานี่ทำชั่วก็อยู่ที่กายวาจาใจของเฮานี่แหละแต่เวลาเฮาตายแล้วใจนั่นถือเอาขามชั่วและความดีไปนำ เอาสิไปเกิดใสไปเกิดในนรกใบยภูมิในกระสงังเป็นงวควายสร้างมากระสงังเป็นสัตว์ดิลาสานกระสงเขาเก่เาวบาปเอากำมันนั่นแหละที่เขาทําไว้ในความเป็นมนุษย์นั่นแหละเขาไปเกิดเป็นงวเป็นควายเกิดเป็นสัตสาวาสิง ไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นพีเปต น, นะก็กรรมชั่วของเขาแหละที่เขาทำไวนะ้เนี่ยพาไปเกิดอย่างในภูมนรกคือกันเอาไปตกนรกก็เขาก็ยึดถือกายความเป็นสัตว์นรกนั่นแหละอยู่ เดือดร้อนอยู่ในในรกในอบา ย, ยภูมิเ น, นี่ย น, นี่เขาทำสั่วไว้ขันเขาทำดีไว้เขาจากมาเกิดเป็นมนุษย์กี่ครบกี่ชาติมันก็มาเกิดได้เขาอยากห่างอยากมีป่านได้เขากินทานไว้มันก็เกิดขึ้น ขันเถ า, าได้กินได้ทานไว้มันก็บอกคอยมีเกิดมากก็ยากจนแน่อันเถาได้ทำบุญทำทานไวสร้างกองการกุศลไวนั้นแหละคือเถาสิได้ไปอันมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนมีเงินมีทองบุอึดบุยากก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพรบุญกุศลที่เขาทำไว้นั้นให้ผล ถ้าเฮาได้รับความสุขความเจริญมีเงินมีทองล่ํารวยต่างๆเหล่านี้ก็เพราะความที่เฮาทําบุญไว้ฮะเนี่ยมันจังไดคนเกิดมาแล้วจะให้ทอกันวัดบึงแต่นิ้วมือเฮามันยังบะทอกันมันเนียนสั้นอันยาวอยู่จะให้ทอการวัดมันบะทอ พวคนทําบาปทาบุญมาบ่คือกันผู้ทําน้อยก็มีทรัพย์สมบัติน้อยมีเงินมีทองน้อยคนทําบุญไว้มากก็มีมากมีความสุขมากมันเปลี่ยงชั น, นถ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าก็ได้อยู่โดน พอมีบุญหลายเขาก็ไปอยู่สวรรค์สันฟ้าโดนเขาลงมาเกิดอีกเขาก็มีความสุขในความเป็นมนุษย์อีกเขาตายแล้วเขาก็ไปสวรรค์เพราะเขาได้ทำความดีไว้สูงขึ้นไปก็ไปถึงพมโลกถ้าเขาปฏิบัติธรรมไปสวรรค์ก็ได้ ไปภพ ม, มโรกสุทาวาตก็ได้ไปภพ ม, มโรกธรรมดาก็ได้ไปพระนิพพานก็ได้สูงสุดคือความต้องการของพุทธศาสนาคือไปพระนิพพานผู้ที่ไปพระนิพพานนี่ได้มันดับอย่างละจังได้ไปได้ดับความโลภดับราคะ ตับโทสะดับโมห า, ควา ม, ค, วามความโลภความโกรธความหลงความโลภคนโกรธคนหลงหั่นแหละดับปัจจัยเฮาบุมีเลยความโลภ ก, ก็มีในใจเฮาราคะตัณหาอยังก็บุมีอยู่ในหัวใจเฮาราคะตัณหาบุมีในหัวใจเฮา ความโกรธกับบ่มีในหัวใจเฮาความหลงงมงายบ่ฮู้บาบ่ฮู้บุญบ่ฮู้ดีบ่ฮู้ช่วยบ่ฮู้มนนาขดนิพพานความหลงนะั่นเฮากระแจงขาวมัดเฮาฟู้่มัดวิชาความรู้ในอริยสัจสีเกิดขึ้นในใจเฮา เห่าเห็นทุกข์คือความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่มันเกิดขึ้นได้พอเหายังมีตันหาอยู่ถ้าเห่าบ่มีกิเลสตันหาแล้วมันก็มาเกิดขึ้นได้มันก็ไปพผนิผานได้ไปถึงความสุขความเจริญได้บ่ต๊กต่ำบ่ไปไหมในภูมินต่ําอีกแล้ว ไปะนิพาในดับเอืกิเลเทุกส่วนความโลกความโกรธความลงอนไดก็ตามบ่าสามารถอยู่ในหัวใจของเฮาได้เลยใจเฮาบริสุทธิ์ผ่องใสเฮาละความสั่วด้วยการถือศีลทำความดีด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยว่า พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากายสุจริตวาจีสุจริตกายกระ่บสัววาจากกบะโบสัวใจกบว่าสัวแก้งข่าวไปเบิดโมียั้งมากำ บ, บังใจเฮาเฮาลู้แจ้งชัดเจนในตัวตนของเฮานี่อย่างแท้จริง เขาก็ามีกิเลสอันไรสิทำ ม, มาให้มาเกิดในมนุษย์อีกเขาก็ไปพนิพานตะรันแดวนี่ละมันเป็นทังสัน้นพี่น้องประเทศลาวคอยฟังและพิจารณาพิจารณาลงไปในใจของเขานะ่ะคอยรู้คอยเห็นอยู่นั้น ยังบท่านแล้วหรอกยังมีอีกอยู่คือใช้อาจารย์ไพบุญอภิปุนโนเพิ่อนอ่านพระสูตรซึ่งเรียกว่าอาณาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ญาติโยมฟังและให้ทุกท่านทุกคนได้ฟังในเรื่อง อาณาปานสติสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตัดแสดงไว้ตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดคือพระอาหารหันต์ลองฟังดูตั้งใจฟังดูกำหนดลมไปนำภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ก็ อ, อนามพนสติอันบุคคลกระทำให้มากอย่างไรเจริญให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ก็เธอในกรณีเมื่อไปแล้วสู่ป่าสุกโคนไม้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 ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนว่าให้เราเป็นผู้ ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าไวา้เราเป็นผู้ทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกเตย่อมทําการศึกษาฝึกฝนไว้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า ไว้ให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าไว้ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหขาย ใ, ใจออก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 ว่าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงรับอยู่หายใจเข้าว่าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงรับอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเถย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจเข้าไว้ให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งห า, า, ใหาให ย, ย ใ, หใจออก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 อยู่เป็นประจำหาย ใ, ใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหาย ใ, ใจออกเตอมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหาย ใ, ใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็น ซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประชัมหายใจออกอานาปานัสติอันบุคคลเจริญแล้วก็ะทําให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่ทั้งหมดนี้อยู่ที่สติอันเดียว สติคือความรู้สึก ล, ลึกได้อยู่ที่สติอันเดียวเท่านั้นถ้าเรามีสติเห็นลมเข้าออกจิดไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดนึกพุงแต่งไปตามอารมณ์ต่างๆ มันก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าปัญญายานอย่างรู้อริยสัจธรรมก็จะเห็นชัดขึ้นแกมแจ้งขึ้นรู้ทั่วถึงขึ้นซึ่งกองทุกอันนี้ กองทุกข์อันนี้คือตัวเรานี่แหละความเกิดก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่งความแก่ก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่งความเก็บก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่งความตายก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่เงเห็นชัดอยู่ในนี้มีเกิดจึงมีแก่จึงมีเก็บจึงมีตาย ถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเพราะนั้นเราทำปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องความเกิดถ้ามีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ไม่มีเกิดจึงไม่มีทุกข์ถ้ามีเกิดอยู่ทุกข์ก็ยังมี ตราบไดที่ยังเกิดอยู่สมมุติว่าคนนี้เอาดินในชมพูทวนะีมาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนเท่าลูกกระเบาเนเท่าหมากตูมอันนี้พ่อของเราอันนี้คือพ่อของพ่อเรา พ่อของพ่อไปเรื่อยๆดินในชมภูทวีบนั้นหมดสิ้นไปแต่ว่าพ่อของพ่อพ่อของพ่อนี่ยังไม่จบเลยแม่ก็เหมือนกันเอาหญ้าเอาไม้มารวมกันมัดเป็นท่อนขนาดสี่นิ้วนี่ อันนี้คือแม่ของเราอันนี้คือแม่ของแม่เราอันนี้คือแม่ของแม่ของแม่เราไม้ยญ้าในชมพูทวีบนั้นหมดแล้วไม่เหลืออยู่เลยแต่คาว่าแม่ของแม่แม่ของแม่ยังไม่หมด คนเรานี่เยียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมานับภพบนับชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนไม่สามารถกำหนดเบื้องต้นเบื้องไปลายได้เลยว่าเราเกิดเป็นชาติที่เท่าไหร่ภพที่เท่าไหร่กับที่เท่าไหร่สังวัตกรับวิวัตกรับเท่าไหร่ เรานับไม่ไหวเลยสมควรที่จะเบื่อหน่ายในการกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกไปสวรรค์ไปพรมโลกไปพระนิพพานดีกว่าให้เห็นโทษของการเกิดถ้ามีเกิดอยู่ตราบใดทุกข์ก็ต้องมีอยู่ตราบนั้น ทำยังไงเราถึงจะไม่มาเกิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเดเวเมพิกเวอันตาวชิเตนะเสวิตบาโยจายังกามาสุ卡ริกานโยโกรดุโกรนริโยนัสานิโตเอตเตพิกเวอผวนเตอนปะคัมมะมัธชมาปฏิปาาท า, าตถาคตินั่นทางสองอย่าง ที่เป็นไปในความรักก็ดีเป็นไปในความชังก็ดีไม่ใช่ทางวันรู้มรคนหรือนีจจากการเกิดได้แต่ทางแห่งความไม่มาเกิดคือมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทาคือมรแปดนั่นเองให้ให้ปฏิบัติตามมราแปด ให้เอามารกแปดเป็นเครื่องปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ของใจมาร์กแปดมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังก ป, ปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบ สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบระลึกได้ชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบแปดอย่างนี้เป็นทางนี้จากกองทุก์ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ ถ้าเราไม่ได้เป็นผ้าลียบุคคลโสดาบันการเกิดของเรานับภบนับชาติไม่ท่วนเลยไม่รู้จักวันสิ้นสุดเลยแต่ถ้าเราได้เป็นพระโสดาบันเราจะอยู่ในวตาสงสาร น, นี้ไม่เกินเกียชาติเป็นอย่างซาถ้าได้สกิทาคามีเรามาเกิด เพียงชาติเดียวถ้าได้เป็นอนาคามีเราไม่ต้องมาเกิดในภูมนุษย์แต่ไปอยู่พรมสุทาวาสห้าชั้นตามกำลังของการปฏิบัติห้าชั้นมีอะไรบ้างมีอวิหาอัตปาสุทัศสาสุทัศสีากาณิตา ห้าชั้นนี้เป็นที่อยู่ของผมสุทธาวาสผู้ที่ได้อนาคามีจากมนุษย์ท้องเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในมนุษย์ได้อนาคามีไปสถิตยอยู่ที่ผมมโลกสุทธาวาสนี้จนสิ้นอายุผมปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์เป็นพระอรหรันต์ก็เข้าพระนิพพานเมื่อสิ้นอายุผมแล้วเข้าพระนิพพานไปเลย แต่ถ้าเราได้เป็นผ้าอรหรันเราไม่ต้องมากับทุกข์ยากในวัฏสรรงสารนี้อีกเลยไม่ว่าที่ใดๆเราดับเหตุของทุกข์ได้หมดแล้วเหตุของทุกข์เราสามารถดับลงได้แล้วนี่แหละตลอดเจ็ดวันนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นกับเราเองโซดาเราก็จะรู้สกิทาคาเราก็รู้อนาคาเราก็จะรู้อลหันเราก็จะรู้เกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่แหละเจดวันพอเพียงสำหรับปฏิบัติอย่างเด็ดขาดอย่างเต็มที่พอเพียงสำหรับเพื่อมักผลนิพพานได้ เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติถึงจะเหนื่อยยากลาบากสักพันหนก็ตามให้อุดให้ทนให้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆเรายอมสละทุกอย่างจากครอบครัวบ้านเรือนทรัพย์สินสมบัติเรามาอยู่กลางป่ากลางดอนเรามาอยู่ในเรือนว่าง เราต้องปฏิบัติให้เค็งกลัดที่สุดให้ได้ผลสมความตั้งใจของเราให้นี้จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ให้ได้